ท, ที่แล้วนะได้พูดถึงนิศศการงานหนึ่งซึ่งกำลังจัดที่ออสินกทมตรงศรียยุรปฐุมวันจัดโดยหอจดหมายเหตุพุทธทาสิศศการนี้ชื่อว่าสติสปสซึ่งมันก็ดูจะมีในยะทางธรรมะนะแต่ว่าเป็นธรรมะแบบสมัยใหม่หน่อย ปรากฏว่ามีวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยไปชมนิ่ทัศการนี้กันไม่น้อยเลยซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากไอ้หลายคนเนี่ยเอามาชมนิ่ทัศการสักพักเนี่ยก็จะร้องไห้นะเขาว่าเนี่ยมีทุกวันเลยนะวัยรุ่นที่มาชมที่ทัศการแล้วก็ร้องไห้เพราะว่าหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยเป็นอย่างนี้ทุกวันเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่ทีรรศการนี้นสามารถที่จะดึงดูดวัยรุ่นคนหนุ่มสาวลหลายคนพอมาแล้วก็เรียกว่ากลั้นน้ำตาไม่อยู่บางคนก็ร้องไห้โฮเลยเห็นข้อความบางข้อความเช่นว่าเหนื่อยไม่รู้สึกอย่างไร หรือว่าอยู่ข้างเธอนะแค่นี้มันก็ทำให้หลายคนนี่ถึงกับร้องไห้อกมาได้แล้วก็บอกถึงความในใจว่าหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยนีวัยรุ่นคนหนึ่งก็เรียกว่าคงเรียนอยู่ชั้นมัธย ม, ม น, นะ พอมาชมนิทรรศการนี้สักพักก็เดินไปหาจิตอาสาที่กำลังเฝ้าดูงานอยู่แล้วก็บอกว่าพี่คะช่วยเขียนอะไรสักหน่อยที่แขนของหนูจะได้ไหมคะจิตอาสานั้นอึ้งเลยนะงงเลยทำไมเหรอ เด็กก็บอกว่าวันนี้วันเกิดหนูแต่พ่อแม่หนูไม่สนใจหนูเลยมันเป็นคำพูดที่เรียกว่าสะท้อนความรู้สึกเรียกว่าอ้างว้างโดดเดี่ยวหรือว่ารู้สึกไร้คุณค่าเหงาจิดอาสาก็เลยเขียนข้อความสั้นๆบนแขนของเธอแนละ้ว หนูเยี่ยมมากเขียนข้อความนี้หนูเยี่ยมมากเด็กก็ยิ้มแล้วก็ขอบคุณจิตอาสาก็เหมือนกันนะบอกว่าขอบคุณหนูเหมือนกันนะที่เปิดโอกาสให้พี่ได้เป็นกำลังใจให้หนูพอเด็กเดินไปส่องพักจิตอาส า, าก็วิ่งไปหาเด็กคนนั้นแล้วบอก ที่ลืมบอกไปนะสุขช้อนวันเกิดนะเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นคนนี้นะมันคะงจะสะท้อนถึงความรู้สึกของวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยเดี๋ยวในวันในเมืองไทยก็ได้ไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพแล้วก็ดูภายนอกนะก็วัยชิดวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่ามีความสนุกสนานเดี๋ยวนี้มีคอนเสิร์ตนะจากต่างประเทศ มาแสดงสดวัยรุ่นนี่ก็จำนวนไม่น้อยเลยนะก็ไปชมคอนเสิร์ตแล้วก็สนุกสนานนะกระโดดโลดเต้นนอกจากคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีอีเวนต์หลายอย่างนะที่รั้วแล้วแต่ชวนให้เกิดความเพลิยเพลินสนุกสนานกับวัยรุ่นจะเรียกว่า ไม่มีวัยรุ่นยุคไหนนะที่มีโอกาสที่จะได้สนุกสนานมากเท่ากับวัยรุ่นยุคนี้อย่าไม่ต้องพูดถึงสูนการค้านะเดอะมอลล์ช็อปอะไรสถานที่ช็อปปิ้งต่างๆนี่มีเยอะมากแม้กระทั่งใกล้ๆ ก, กับออสินกทอมอซึ่งอยู่สียายกปทุมวั น, นีก็มีอาสรระสินค้า ชื่อดังอยู่หลายแห่งเลยและที่ไปนี่ก็หนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยวัยรุ่นทีนี้ชีวิตเนี่ยของวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็เรียกว่าดูจะมีความสุขแต่ว่าลึกๆเนี่ยข้างในนี่ก็เหงานะใะไอความรู้สึกเหนื่อย ตัวันท่องมาแสดงออกที่หอสิงห์กรธมมันสะท้อนนะว่าคนเรานี้ขาดเพื่อนเพื่อนมันถึงเพื่อนจริงๆนะเพราะถ้ามีเพื่อนจริงๆเนี่ยก็คงจะปรับทุกข์บอกเล่าความรู้สึกเหนื่อยล้าเนี่ยให้กับกันและกันได้ ไม่ต้องเก็บเอาไว้ตรงต้องมาทลักทลายนะที่สถานที่อย่างนั้นนะ่นะซึ่งก็ไม่ได้มีใครที่จะรู้จักมังจีด้วยคนเราถ้ามีเพื่อนนะก็คงจะมียอมก็ย่อมมีคนที่จะรับฟังความทุกข์ ให้กำลังใจหรือว่าทาให้รู้สึกว่าตัวเองนี่มีคุณค่าคนร้อนเนี่ยารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกท้อนะไม่รู้สึกเคว้งลาพังเนี่ยเกิดช่องว่างระหว่างพ่อแม่นี่ก็ก็หนักหนาอยู่แล้วนะอย่างเรื่องราวของเด็ก คนที่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยมันเชื่อเลยนะถึงช่องว่างระหว่างลูกกับพ่อแม่ครอบครัวที่คงจะไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่ทั้งๆ ท, ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะคงจะมีรถนะอาจจะไม่ใช่แค่คันเดียวอาจจะมีบ้านที่อยู่สบาย ต่างคนเด็กอาจจะมีห้องนอนส่วนตัวแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปคือความอบอุ่นแต่ถึงแม้จะไม่ ไ, มได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่หรือครอบครัวนะถ้ามีเพื่อนนะมันก็ช่วยคลายความทุกข์ได้ไม่มากก็ น, น้อยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเด็ก วัยรุ่นโดยไม่น้อยเนี่ยก็คงจะไม่มีแม้กระทั่งเพื่อนอาจจะมีเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินหรือมีพวกนะแต่ไม่มีเพื่อนพอไม่มีเพื่อนแล้วเนี่ยนะมีความทุกข์มีแรงกดดันทั้งจากการเรียนจากเพื่อนต่างเพศหรือว่าจากเรื่องภาพลักษณ์ ก็เลยไม่รู้จะระบายออกกับใครนะสิ่งที่เราปรับทุกผุกนิดนี้มันก็หายไปซะแล้วนะจากชีวิตหรือแวดวงของคนหนุ่มสาววัยรุ่นในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากคือมันก็เช็นนะว่าคนเราเนี่ยแม้จะมีชีวิตที่สะดวกสบายอย่างไรเนี่ย มันก็ไม่สำคัญเจ้ากรรมาการมีเพื่อนนะมีเกลียาน้ำมิตรวันนั้นนี่คือเหตุผลนะที่ทำให้หญิงสาวคนนั้นเนี่ยนะเด็กสาวคนนั้นเนี่ยมาหาจิตอาสาแล้วก็ขอให้ช่วยเขีย น, นอะไรสักอย่างเหมือนก็ต้องการสร้างความสัมพันธ์แ่าจะเป็นการชั่วคราว ข อ, อกำลังใจสักหน่อยเพราะว่าอาจจะไม่มีใครให้กำลังใจเธอเลยแม้กระทั่งครูเดี๋ยวว่าแต่พ่อแม่ส่วนเพื่อนนี่ก็ก็คงไม่มีนะแม้ว่าจะมีเพื่อนนะในเฟซบุ o กในอินส a าแกรเยอะแยะแต่ว่าเพื่อนจริงๆก็ไม่มีไอ้เพื่อนนี่สำคัญนะยเพราะเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร เพราะมันช่วยให้กำลังใจแค่ความปรารถนาดีดนะนะมันก็มีผลนะต่อจิตใจของผู้คนมันเป็นสิ่งที่แผ่กันได้นะถ่ายทอดกันได้พลังนะของน้ําใจความปรารถนาดีนะมันส่งต่อถ่ายทอดกันได้นะอาจจะด้วยคําพูดอาจจะด้วย ล้วตาหรือแม้แต่ทางการอยู่ใกล้ๆเนี่ยธรรมชาติของเมตตาจิตหรือไมตรีจิตเนี่ยมันมันสามารถที่จะแผ่ออกไปให้คนรอบข้างรับรู้ได้ซึ่งก็เช่นเดียวกับความโกรธความเกลียดความอาฆาตก็เหมือนกันนะหรือแม้แต่ความเหงาเนี่ยเวลาใครที่มีอารมณ์แบบนี้เนี่ย คนที่อยู่ใกล้ก็รับรู้ได้น ะ, ะจิตของคนเรานี่มันมันไวต่ออารมณ์ไม่ว่าบวกหรือลบมันพร้อมจะซึมซับ ร, รับเอาอารมณ์ทั้งบวกและลบเนี่ยมาสู่จิตใจของตนได้อันนี้ก็เป็นนะเป็นความลี้ลับหรือความพิเศษนะของใจเราซึ่งคนสมัยนี้ก็ออกจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ เป็นการอยู่หรือแวดล้อมด้วยมิตรโ ด, ดยเพราะกัลยาณมิตรเนี่ยมันมันมีผลนะต่อต่อจิตใจต่อความผาสุกพระพุทธเจ้าจึงตรัสไงว่าเนี่ยการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตนะอันนี้เป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่งเป็นข้อแรกเลยนะมงคลละสูงเนี่ยการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิต บัณฑิตนี่ไม่เป็นหมาว่าต้องเป็นผู้มีความรู้ไรมากนะแต่ว่าเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเป็นกัลยาณมิตรนะหรือเป็นเพื่อนที่ปรารถนาดีซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีอายุมากแม้จะวัยเดียวกันก็สามารถจะเป็นบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรได้นี่คนเราเนี่ยถ้าว่ามีเพื่อนนะที่ดีนะมันก็ช่วยทำให้มีความสุขใจได้ ระดับหนึ่งแล้วเวลามีความทุกข์ใจนะความรู้สึกดีๆมต่ตีจิตที่มีให้แก่กันและกันเนี่ยมันก็ช่วยเยียวยาจิตใจได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ว่าได้แค่อยู่เฉยๆยิ่งถ้าเกิดตั้งใจนะที่จะตั้งจิตปรารถนาดีไปให้เนี่ยยิ่งช่วยเติมนะความสุข เยียวยากความทุกข์ได้มีคนก็ทดลองนะทากิจกรรมหนึ่งก็ให้คนที่เขาลงกิจกรรมเนี่ย น, นั่งเป็นวงกลมแล้วเขาก็ให้แต่ละคนเนี่ยมองสดตาไปที่แต่ละคนแต่ละคนในวงรอบวงเลยนะแล้วก็ให้เลือกคนคนหนึ่งนะที่อยากจะส่งพลังความเมตตาให้กับเขา เอาแค่คนเดียวแล้วก็จำตำแหน่งที่นั่งเข้าไว้เพราะหลังจากนั้นเนี่ยพอเลิกเสร็จก็จะให้หลับตาแล้วก็ตามลมหายใจอย่างผ่อนคลายอาจจะ ก, ก้มหน้าสักหน่อยเสร็จแล้วก็ให้น้อมจิตมาที่หัวใจนะแล้วก็ให้นึกถึงความปรารถนาดีเมตตาจิตว่ามันกำลัง กำลังมารวมอยู่ที่หัวใจมาสถิตที่หัวใจเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้จินตนาการว่าเมตตาจิตความปรารถนาดีเนี่ยมันแผ่ไปทั่วร่างกายจากหัวใจนะหัวใจที่บีบส่งเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันก็ช่วย ส่งผ่านความปรารถนาดีให้แผ่กระจายไปทั่วร่างกายพร้อมๆกันแลวพอรู้สึกว่าร่างกายนี้อิ่มเอิบไปด้วยพลังของความปรารถนาดีความมีเมตตาแล้วก็ส่งนะส่งความรู้สึกดีๆนั้นไปให้กับเพื่อนคนที่เลือกเอาไว้นะ แล้วก็จำตำแหน่งเขาได้เนี่ยส่งไปที่นั่นเลยทาสักพักนะตามลมหายใจสัก3หรือ5ครั้งหายใจเข้าออก3ำเป็นครั้งทำสบายๆและเปิดตาขึ้นกิจกรรมนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะอันนี้วิทยากรเขาก็อะไรนะเาก็จะถามแต่ละคนแต่ละคนว่ารู้สึกยังไง ให้แปลกนะหลายคนเนี่ยจะเรียกว่าเกือบส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันได้รับพลังบางอย่างว่าเป็นความสุขที่ดีมันรู้สึกมีความมีเรี่ยวมีแรงมีกําลังใจมากขึ้นก็ทําอย่างนี้เนี่ยกับหลายวงนะโดยเพราะถาเท่ากับว่าแต่ละคนตั้งใจทําเนี่ยไม่ปล่อยใจลอยวอกแวกหรือไม้อาแต่นั่งหลับเนี่ย ผลที่ได้รับเนี่ยที่เกิดขึ้นกับคนในวงเนี่ยมันก็จะชัดเจนมากหลายคนก็สงสัยเอย้พลังดีๆที่ได้รับเนี่ยนะมันมาจากไหนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเล้คนที่เชื่อในเรื่องพลังจิตหรือพลังเมตตานี้ก็ไม่สงสัยนะมันถ่ายทอดกันได้นะคนที่เหนื่อยล้าคนที่รู้สึก มีความทุกขนะ์พอรู้สึกถึงพลังที่ว่าเนียจะรู้สึกดีขึ้นเลยแต่นั้นก็หมายความว่าคนที่ส่งพลังไปนี่ก็ต้องคิดนะว่าเออกาที่ส่งพลังไปแห่งความเมตตานี่ก็ตั้งจิตว่าขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอนะอย่าได้มีความทุกข์ขอให้เธอสามารถจะผ่านความทุกข์ความยากลำบากไปได้เวลาที่เป็นคาพูดแบบนี้เนี่ย มันก็ช่วยทำให้พลังเนี่ยแผ่ไปถึงคนอีกคนหนึ่งได้คล้ายกับการแผแ่เมตตาที่เราทำเป็นประจำแต่ว่าเราแผแ่เมตตาเนี่ยหลังทำว่านี้เราแผ่ไปสรรปะสัตว์นะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแต่ว่ากิจกรรมนี้เขาให้ทำกับแค่คนคนเดียวที่เราตั้งใจ ที่เราเลือกเอาไว้อันนี้มันแสดงให้เห็นลนะว่าเมตตาจิตนะหรือพลังแห่งเมตตาเนี่ยถ้ามันมีมันส่งผล น, นะต่ออีกคนหนึ่งคราวนี้เนี่ยอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งเกิดจากความตั้งใจนะที่จะแผ่ไปให้แต่ถึงแม้ไม่ตั้งใจนะ แค่มีความรู้สึกดีมีความปรารถนาดีมีน้ำใจเมตตรีให้กับอีกคนหนึ่งเนี่ยในฐานะที่เป็นเพื่อนเนี่ยมันก็ช่วยทําให้อีกฝ่ายนเนี้ยเขาพลอยได้รับความสุดดีๆไปด้วยแล้วถ้าคนเราเนี่มีเพื่อนแบบนี้เนี่ยนะแม้เพื่อนแค่อยู่ใกล้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้เขาเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงมีกําลังใจจะไม่รู้สึกหอเหี่ยวจะไม่รู้สึกเหนื่อย อย่างที่เกิดขึ้นนะกับวัยรุ่นทุกวันนี้จํานวนมากให้มันก็แปลนั่อย่างที่บอกนะวัยรุ่นทุกวันนี้เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินเรืองรมสนุกสนานมากมายมีเพลงให้ฟังมีหนังให้ดูตลอด24ชั่วโมงได้มีโอกาสดูคอนเสิร์ต จากนักร้องนักแสดงดังๆจากต่างประเทศไม่ว่าเกาหลีหรือว่าอังกฤษอเมริกามีสิ่งเสพ็สิ่งโดยความสะดวกมากมายแต่ว่าใจมันทุกข์พูดง่ายๆคือว่าเดี๋ยวนี้สุขกายนะแต่ว่าทุกข์ใจอันนี้มันแสางเห็นนะว่าความสุขที่ได้เนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยเกื้อกูลจิตใจเท่าไหร่เลย แต่ถ้าจะให้เลือกนะว่าระหว่างสุกกายกับทุกใจกับทุกใจทุกกายแต่สุขใจเนี่ยจะเอาอย่างไหนระหว่างสุกกายกับทุกใจนะแล้วก็ทุกกายนะแต่ว่าสุขใ จ, จเจ้าอย่างไหนก็ถางวัยรุ่นบางทีเขาก็ตัดสินใจยากนะเนีพราะเๆเขาก็เชื่อว่าเนี่ยมันต้องสุกกายเลยใจจึงจะเป็นสุข แต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแล้วบางครั้งแม้ว่ากายจะทุกข์คือไม่สะดวกสบายแต่ใจมันสุขก็ได้นะเลยเพราะถากว่าได้ทำความดีทำความดีมันเหนื่อยแต่มันเหนื่อยแค่กา ย, ยาเช่นไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นจิตอาสาไปปลูกป่าอันนี้โหเหนื่อยกายนะแต่หลายคนเนี่ย ใจเป็นสุขนะเหมือนกับที่หลายคนไปเดินธรรมยาตรายเนี่ยโอ๊ยกายมันเหนื่อยมากเลยแต่ใจมันสุขอันนี้พออันนี้เป็นพราะคนเราหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะาไปให้ความสำคัญกับเรื่องของความสุขทางกายมากเขาลืมเรื่องของใจไปเขาก็เลยติดความสุขทางกายแล้วก็ไม่คิดว่าให้สุกกายนะแต่ว่าทุกใจเนี่ยมัน ไปด้วยกันได้นะหรือว่าในทางตรงข้ามเนะี่ยแม้ว่าทุกกายไม่สะดวกทางกายแต่ใจเป็นสุขนี่มันก็เป็นไปได้นี่แตก็ว่าให้ความสําคัญเรื่องของใจมากขึ้นนะเข้าใจหรือตั้หนักว่าความสุขเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่สุขจากการเสพสุขจากการปนเปื้องกายด้วยการกินดื่มด้วยการสนองตาหูจมูกลิ้นแต่มันมีความสุข ทางใจซึ่งอาจจะเกิดจากความเหนื่อยทางกายก็ได้เหมือนกับที่หลายคนพบว่าเนี่ยการได้เงินมาไม่ได้ทำให้มีความสุขมาเท่ากับการที่สละเงินนั้นออกไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอันนี้มันขัดกับสามัญสำนึกนะสามัญสำนึกคิดว่าถ้ามีเงินมากๆจึงจะมีความสุขแต่หลายคนพบว่า ถ้าเอาเงินที่มีเนี่ยนะเอาไปให้คนอื่นช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่แม้เงินในกระเป๋าของเราจะเหลือน้อยลงแต่ว่าใจเรามีความสุขมากขึ้นคือยิ่งให้ก็ยิ่งมีความสุขนะไม่ใช่ว่ายิ่งได้จึงจะมียิ่งได้จึงจะยิ่งมีความสุขไม่ใช่เลยยิ่งให้เนี่ยสามารถทำให้เกิดความสุขได้เพราะว่าให้วัตถุแต่ว่าเกิดความสุขใจ อันนี้มันขัดกับสามารถสำนึกหรือความเชื่อของคนแต่ว่าถ้าว่าเราหันมาสนใจเรื่องของใจเนี่ยมันจะพบว่าทำเพื่อผู้อื่นแต่ตัวเองมีความสุขเป็นไปได้หรือว่าเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจสุขเนี่ยเป็นไปได้นี่จะเกิดว่าหาันม า, หาให้ความสำคัญหรือเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยนในการที่จะ หันมาให้ความสําคัญกับความสุขใจโดยที่ไม่ไปยึดติดกับความสุขทางกายมันก็จะเป็นไปได้และพอให้ให้ความสำคัญกับความสุขทางใจแล้วเน่ยมันก็จะพบมีช่องทางมากมายนะที่สามารถทําได้ซึ่งรวมไปถึงการทําสมาธิภาวนาการเจริญสตนะิการกลับมามองจิตมองใจของตนการหันมารู้จักตนเองจนกระท่าเป็นนีพพานตัวเอง เดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากขาดเพื่อนแล้วนะวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ว่าได้ก็ไม่เป็นมิตรกับตัวเองด้วยซ้ำไม่มีเพื่อนทั้งภายนอกแล้วก็ไม่มีใจที่เป็นมิตรกับตัวเองอันนี้เป็นเพราะไปให้ความสำคัญกับเรื่องของวัตถุนะสิ่งเสพมากเกินไปจนกระทั่งข้างในกลวง วาวเวนี่ถาเกิว่าหันมาพบกับหันมาให้ความสําคัญกับจิตใจจงกระทั่งสามารถเป็นมิตรกับตัวเองได้เรียกว่ามีใจเป็นมิตรมีจิตเป็นเพื่อนเนาะในความสึกเหนื่อยความสึกล้าจงกระทั่งต้องอัดอั้นระบายออกมาเนี่ยหรือจงกระทั่งบางคนถึงกับรู้สึกว่าฉันอยู่ไม่ไหวแล้วฉันตายดีกว่ามันก็จะเกิดขึ้นน้อยลง และจริงๆมันคือถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยสามารถจะทำให้ใจของเราเนี่ยนะมันมีมันมีที่ว่างให้กับสติบ้างมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะสติสเปซเนี่ยเขาตั้งใจจะให้หรือชักชวนให้สานักงงานต่างๆนี่มีที่ว่างสาหรับการเจริญสติหรือสาหรับการปลุกสติในใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยสติสเปซที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ข้างในนะ ถ้าทำใจของเราเนี่ยให้มันว่างพอที่จะมีสติมาสถิตเนี่ยโอ้มันจะช่วยทำให้ใจเนี่ยเป็นนิสกับเรามากขึ้นเพราะว่าสตินี่แหละนะมันจะช่วยรักษาใจไม่ให้ผิดเพี้ยนไม่ให้ถูกข้องกับด้วยกิเลสจิตเนี่ยถ้าว่ามันไม่มีสติกากับนะมันก็กลายเป็นโทษกลายเป็นศัตรูสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ สามารถจะเอาความทุกข์มาซ้ำเติมตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ถ้าใจเราเนี่ยมีที่ไวกับสตินะโอ้ใจมันก็จะกลายเป็นมิตรแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตของเราได้เพืให้มีกำลังใจไม่มีเรื่อมือแรงที่จ ะ, ะทำสิ่งที่ดีงามและปิดช่องไม่ให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานจิตใจ